เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเจ้าคะ่ะในวันที่วันพุทธที่11พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2554เนี่ยจะเป็นการเริ่มงานเทศกาลวันวิสาขาบูชานะคะซึ่งตอนเช้าจะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่พระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพร ะ, พระบรมสารีริกธาตุทีเ่เป็นส่วนพระองค์นะคะ ท่านพระราชทานมาในงานนี้นะคะผูพ้พูดเองกออ็ได้รับหน้าที่ในการจัดตกแต่งขบวนพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุก็อยากจะกราบปรึกษาท่านพระอาจารย์แล้วก็ขอให้พระอาจารย์ได้ช่วยกรุณาแนะนำว่าในการตกแต่งขบวนเนี่ย เราก็มีทั้งอดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สดก็ดีดอกไม้แห้งก็ดีนะคะผู้ที่มาอัญเชิญเนี่ยเราก็จะขอให้เขาแต่งชุดพิพเศษเช่นชุดไทยบ้างมีทำการแต่งหน้าทำผมนะคะตอนนี้เราจะให้ข้อมูลเขายัางไงในระหว่างการที่เขาเตรียมตัวด้วยความงดงามก็ตามในการเข้าร่วมพิธีเดินใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ตามซึ่งบางปีเนี่ยอากาศก็จะร้อนมาก ก็ อ, อยากจะให้พระอาจารย์แนะนำนะคะว่าในขบวนเนี่ยเราจะวางจิตยังไงหรือแม้แต่การที่เราจะระดมคนให้มาช่วยงานต่างๆนับตั้งแต่เตรียมงานเนี่ยเจ้าคะ่ะซึ่งเป็นงานใหญ่พอสมควรทีเดียวในกรณีาการประดับตกแต่งดอกไม้เนี่ยถ้าถามว่าเรามองเห็นดอกไม้จะไม่มองตรนหน้านี่อันนี้ก็คือดอกไม้ถ้าดอกไม้เนี่ยเราคิดถึงอะไร เราคิดถึงความงามแห่งพุทธคุณความงามแห่งพุทธคุณฉะนั้นดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยนะที่เราจะประดับประดาตกแต่งทั้งที่เป็นดอกไม้สดดอกไม้แห้งใดๆก็แล้วแต่ดอกไม้ทั้งหลายเหล่านี้เป็นข้อบ่งบอกให้เราเห็นความงดงามแห่งพุทธคุณคือเห็นความงามแห่งสรีละคุณและก็พุทธคุณของพระเจ้าซึ่งหาที่สุดไม่ได้มากมายเหลือเกิน มากมายขนาดไหนบอกว่าพุทธยานของพระบรมศาสดานั้นมีมากใช่ไหมท่านถึงบอกว่าโลกธาตุมีจำนวนเท่าไหร่พุทธยานก็มีเท่านั้นพุทธคุณก็มีเท่านั้นนพุทธคุณมีเท่าไหร่โลกธาตุก็มีเท่านั้นสรุปก็คือว่าในบรรดาโลกธาตุทั้งหลายมีอะไรบ้างมีสัตวโลกมีโอกาสโลกมีสังขารโลกทั้งโลกสามนี่นะ ซึ่งประดับไปด้วยในชาติเขตในอนาเขตและในวิสัยเขตถ้าชาติเขตก็หมื่นจักรวาลอนาเขตก็แสนโกดจักรวาลวิสัยเขตก็หาประมาณมีได้ฉะนั้นดอกไม้ทั้งหลายที่ทปรากฏในจักรวาลทั้งหลายใช่ไหมอันนั้นเป็นเครื่องประดับประดาตกแต่งซึ่งเราใช้กระแสจิตของเราน้อมในการที่จะบูชาคุณของพระศาสดาซึ่งมีมากมายหาประมาณมีได้ฉะนั้นในการตกแต่ง ของสวยๆงามๆทั้งหลายโดยเฉพาะดอกไม้เราคิดถึงอะไรคิดถึงความงดงามของสรีลัคุณคิดถึงความงามของพุทธคุณฉะนั้นดอกไม้ทุกดอกให้น้อมว่าเป็นตัวแทนแห่งความงามของพุทธคุณทั้งหลายซึ่งปรากฏอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบรมศาสดานเนี่ยทรงใช้พยานเนี่ย แผ่ไปในจักรวาลทั้งหลายในแสนโกจักรวาหลหรือ ม, มากกว่า น, นั้นแผ่ไปในกระแสของสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ถ้าถามบอกว่าสิ่งที่ไม่สามารถคํานวณได้คือประชาสัตว์ทั้งอบายสัตว์ใช่ไหมในนรกเอยสัตว์นรกเออเปลดเอยอสุรกายเอยสัตว์เดรัชานทั้งมนุษย์ไม่รู้กี่พบกี่ภรมทั้งเทวดาและพรหม ในการประพรรูปประพร อ, อรูปประพหาประมาณมิได้แม้จํานวนสัตว์มากมายขนาดในพุทธยานก็มีเท่านั้ น, นใช่ไหมความงามในจักรวาลทั้งหลายมีดอกไม้นานาพันมากมายเหลือเกินเราประดับตกแต่งเพียงน้อยนิดที่จะทํากิจในการถวายเป็นพุทธบูชาให้เห็นความงามของพุทธคุณและการให้ดอกไม้เป็นทานเพื่อเป็นพุทธบูชาที่เป็นอมิสบูชาเป็นต้น เพื่อน้อมเป็นปัจจัยเกี่ยธรรมบูชาคือศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนั้นจะเป็นปัจจัยเก่การได้ความประดับซึ่งความงดงามแห่งพุทธคุณจะทําให้กระแสจิตของเราเนะี่ยเข้าถึงคุณของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นด้วยการที่เราได้ตกแต่งดอกไม้ในบูชาศรีระคุณและพุทธยานของพระเจ้าฉะนั้นเห็นดอกไม้ทั้งหลายก็เริ่มจะเห็นคุณของพระเจ้ามากขึ้น ผู้ที่ไปตกแต่งผู้ที่ไปจัดแจงดอกไม้บูชาพระศ า, าสดาพระพุทธเจ้าเนี่ยในขณะที่ตกแต่งนั้นจะเห็นความงามของพุทธคุณสรีลัคุณของพระเจ้าแต่ละจุดในพระสรีละมากมายพระวรากายของพระบ ร, รมศาสดามีฉับพลันราฬงสีแผ่ออกหนึ่งวาเป็นต้นเราเห็นความงามของดอกไม้เราจัดความงามของดอกไม้ได้เท่าไหร่ก็น้อมบูชาคุณของพระศาสดาอย่างนั้น แล้วก็เชิญชวนให้บุคคลทั้งหลายได้เห็นความงามว่าถ้าท่านทั้งหลายจับดอกไม้เพียงหนึ่งดอกให้น้อมถึงการบูชาพระคุณของพระเจ้าอันหาประมาณไม่ได้ทำจิตให้เลื่อมใสทำใจให้ศรัทธาตั้งมัน่นก่อนทำก็ดีใจใช่ไหมขณะทำก็เลื่อมใสทำแล้วก็ปลื้มใจทำกุศลให้เกิดขึ้นทั้งปุพพะเจตนามุนจัปอ布拉布拉เจตนาให้ชัดเจนในการให้ในการสละในการคิดจิตในจิตที่คิดจะบูชา การบูชาพระเจ้าไม่ใช่บูชาด้วยการอนุเคราะห์นะแต่บูชาด้วยการรู้จากคุณนะี่ น, น้อบน้อมบูชาคุณเพราะพระพุทธเจ้ามีคุณมีพระคุณมากทีนี้บุคคลทั้งหลายที่ประดับประดาตกแต่งสรีละไม่ใช่ตกแต่งสรีละวันนั้นเพื่อความงดงามหรือไปอวดใครแต่เราจะตกแต่งสรีละเสื้อผ้าหรือแต่งกายทั้งหลายเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วย ให้ให้อามิสบูชาที่เป็นไปกับดอกไม้กับเสื้อผ้าที่เราตกแต่งหรือของหอมทั้งหลายที่เราน้อมจะไปบูชานั้นให้ถือเป็นการบูชาวัตถุภายนอกจิตใจพร้อมทั้งกระแสชีวิตของเราทั้งหมดให้น้อมเป็นการถวายบูชาใช่ไหมมอบกายถวายชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาด้วยสรุปก็คือว่างานนี้ก็น้อมทั้งอามิสบูชาที่เป็นภายนอกแล้วอัจชะตะบูชาก็คือใช้สรีละ ร่างกายของตนเองตลอดถึงจิตใจของตนเองที่คิดน้อมจกบูชาด้วยถ้าอย่างนี้ก็จะเกื้อกูลโดยเฉพาะจิตใจของตนเองนั้นให้เป็นไปกับศรัทธาให้เป็นไปกับวิริยะให้เป็นไปกับสติสมาธิและก็ปัญญานี่ก็จะเป็นการบูชาทั้งอมิสบูชาและธรรมบูชาอามิสบูชาและธรรมบูชาถามว่าอามิตสบูชานี่พระองค์ไม่ทรงสารเสริญมากแต่ทรงสารเสริญมากคือธรรมบูชา ธรรมบูชาก็คือทําจิตนั้นน่ยให้เข้าถึงสารณาคมให้เข้าถึงกุศลศีลให้เข้าถึงกุศลกรรมบทตรสิบให้ยึดกุศลกรรมบทตรสิบให้มั่นแล้วก็เพียรพยายามที่จ ะ, จะเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปซึ่งพระองค์ก็ขับเน้นธรรมบูชาตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นปัจจัยแก่การบูชาที่ถาวรและก็ที่แท้จริงและจะเป็นปัจจัยแก่การที่ทําให้เราพ้นจากอุปสรรคพญานันอันตรายต่างๆที่สุดก็เป็นปัจจัยแก่การ พ้นจากว่าแต่ทุกข์เป็นต้นได้